สอปริหานิกถาว่าด้วยความเสื่อมหนึ่งวาทยุติปริหานิว่าด้วยหลักการโตวาทะในเรื่องความเสื่อมสองรอสส้สมกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรอใช่สกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ในโอกาสทั้งปว ง, งใช่ไหมปร อ, อไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันต์เส right yes. right? okay. ื่อมจากอรหัตผลได้ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันต์ในโอกาสทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในการทั้งปวงใช่ไหม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 พระอรหันตุกองค์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันตุกองค์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันตุกองค์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่ สกพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอารหัตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้งสี่ประการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรเศรษฐีครองความเป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็ด้วยทรัพย์สี่แสนเมื่อทรัพย์หนึ่งแสนหมดสิ้นไปก็เสื่อมจากความเป็นเศรษฐีใช่ไหมสกใช่ปรเขาเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเศษถียครองความเป็นเศษฐีอยู่ได้ก็ด้วยทรัพย์สี่แสนเมื่อทรัพย์หนึ่งแสนหมดสิ้นไปก็เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้งสี่ประการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นว่าทยุติปริหานิจบสองอริยะปุคละ สังสันตนาปริหานี้ว่าด้วยการเทียบเพียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อม 240. สองสีกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิพันธใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สก พระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสสิบอ็ดสกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหม ปรใช่สกพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอาราตผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรตั้งอยู่ในอนาคามิผลสกพระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรตั้งอยู่ในสกทาคามิผลสกพระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไร ปอรอตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันธสกพระโสดาบันฑเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิพันธตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุตุชนใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจงรับนิาะดังตอไปนี้หากพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในอนาคามิผลพระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลตั้งอยู่ในสกทาคามิผล พระสกะทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลดังนั้นท่านควรยอมรับว่าพระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิผลตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุตุชนสกพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลใช่ไหมปอรอใช่สกถ้าจากโสดาปฏิผล ท่านก็ทำให้แจ้งอาราหัตผลได้เลยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสี่สิบสองสกพระอรหันเสื่อมจากอาราหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันหรือพระโสดาบันใครละกิเลได้มากกว่ากัน ปรพระอรหันตสกหากพระอรหันต์ละกิเลได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอราัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สกรพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกรพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันต์หรือพระสกทาคามีใคร ล, ละกิเลได้มากกว่ากันปอร์พระอรหันต์สกอหาพระอรหันต์ละกิเลได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้สอกอ พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สอกอพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรพระอาหารหันต์สอกอหากพระอาหารหันต์ละกิเลสได้มากกว่า พระอรหันยังเสื่อมจากอรหันตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ า, พ ร, า, า, า, า, า, วาพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้สกพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีหรือพระโสดาบัน ใครละกิเลได้มากกว่ากันปรพระอนาคามีสอกอหากพระอนาคามีละกิเลได้มากกว่าพระอนาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สองร้อสี่สิบสามสกพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่ สกพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีหรือพระสกทาคามีใครละกิเลได้มากกว่ากันปรอพระอนาคามีสกหากพระอนาคามีละกิเลได้มากกว่าพระอนาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า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 ปรพระสกทาคามีสกหาพระสกทาคามีและกิเลได้มากกว่าพระสกทาคามียังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่มจากโสดาปฏิผลได้สองสี่ส่สกพระอรหัน์เสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สก พระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์หรือพระโสดาบันใครเจริญมรรคได้ยิ่งกว่ากันปรพระอรหันต์สกหากพระอรหันต์เจริญมรรคได้ยิ่งกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ สกพระอรหันต์เสื่อมจากอราัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสวสดาบันเสื่อมจากสวสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์หรือพระสวสดาบันใครเจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญระละเจริญพุทชงได้ยิ่งกว่ากัน ปรพระอรหันตสกหากพระอรหันตเจริญพุทธชงได้ยิ่งกว่าพระอรหันตยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สกพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกะทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์หรือพระสกะทาคามีใครเจริญมากและถึงเจริญโพ่อชงได้ยิ่งกว่ากันปรพระอรหันต์สกหากพระอรหันต์เจริญโพ่อชงได้ยิ่งกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกะทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ สกพระอาราหันต์เสื่อมจากอราัผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอานาคามีเสื่อมจากอานาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอา ร, าหารหันต์หรือพระอานาคามีใครเจริญมัจเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่ากันปรพระอรหันต์สกหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่า พระอระหันยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้สองร้สิห้าสกพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอน า, นาคามีหรือพระโสดาบันใครเจริญมักเจริญพ่งชงได้ยิ่งกว่ากันปรพระอน า, นาคามีสกหากพระ อ, Warrior, ระอ น, านาคามีเจริญพุ่งชงได้ยิ่งกว่าพระอน า, นาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สกพระอน า, นาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกรพระสกะทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาค า, ามีหรือพระสกะทาคามีใครเจริญมาเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่ากันปรพระอนาคามีสกหากพระอนาคามีเจริญโพชฌงได้ยิ่งกว่าพระอนาคามียังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสะกะทาคามีเสื่อมจากสะกะทาคามิผลได้สอง้อยสี่สิบหกสกพระสะกะทาคามีเสื่อมจากสะกะทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระสกะทาคามีหรือพระโสดาบันใครเจริญมักเจริญโพชงได้ยิ่งกว่ากันปรพระสกะทาคามีสกหากพระสกะทาคามีเจริญโพชงได้ยิ่งกว่าพระสกะทาคามียังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้สองสเจ็ดสก พระอรหันต์เห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ออใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนพระอรหันต์เห็นสมุทยแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ออใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเห็นสมุทยแล้ว ยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอระหันต์เห็นนิโรธแล้วยังเสื่อมจากอราถผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเห็นนิโรธแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอระหันต์เห็นมรรคแล้วยังเสื่อมจากอราถผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกพระโสดาบันเห็นมากแล้วยังเสื่สอม <Mum> จากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์เห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สอกอพระอรหันต์เห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สอกอพระสกะทาคามีเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันต์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเหน็นมรรคเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่ สกพระสกะทาคามีเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอระหันต์เห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมบรใช่สกพระอนาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระอรหันต์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสสิบแสกพระอนาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหม ปอรอใช่สกพระโสดาบันเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระโสดาบันเห็นสัจจะสีแล้ว ยังเส Zack, oda, n, a, Ro, hmm, ah ื่อมจากโสดาปฏิพลดได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรร เห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองสี่ก้พระสกทาคามีเห็นทุกข์แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สก พระโสดาบันเห็นทุกแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพันธ์ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเห็นสัจจะสีแล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพันธ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 250. สองห้สกพระโสดาบันเห็นทุกข์แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผล ใ, ใช่ไหมปรใช่สอกอพระอรหันต์เห็นทุกข์แล้วไม่เสื่อมจากอารหันตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระโสดาบันเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผล ใ, ใช่ไหมปรใช่ สกพระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้วไม่เสื่อมจากอราัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสี่แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เห็นสัจจะสี่แล้วไม่เสื่อมจากอราัผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอนาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากอรัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สก พระอนาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระโสดาบันเห็นทุก์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระสกะทาคามีเห็นทุกข์เห็นสัจจะสีแล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองห้าอ็ดสกพระอรหันต์ละาราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหม ปอรอใช่สอกอพระโสดาบันละสักกายติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลดได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันและราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรอใช่สอกอพระโสดาบันและวิจิกิจฉาละศีลปะตะปรามาตและราคะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบาย ละโทสะที่เป็นเหตุให้จั์ไปสู่อบายละโมหะที่เป็นเหตุให้จั์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพลได้ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละถีนะละอุทัจะละอหิริกะละอนโนตปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ปรใช่สอกอพระโสดาบันละสั ก, กยติถิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันตและอนุตตปะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สอกอพระโสดาบันละวิจิกิจฉาและศีลปตะปรามากและราคะที่เป็นเหตุให้จัดไปสูส่อบาย ละโทสะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายและโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปติพนได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์และราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีและสกยฐฐายติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันและราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีละวิจิกิจชาและศีลปตะปรามาตและการมราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอรหันตโทสะและอนโนตปะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกธาคามีและสกายทิฐิและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกธาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันตราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกพระอนาคามีและสะกฤติทิฐิได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหันตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีและ ว, วิจิกิชฌาและศีลปะตะปรามาตและกามราคะอย่างละเอียด และพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรพระอรหันต์ละโทสะและอนตตะปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกรพระอนาคามีและสักยติฐิและพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเ ส, สื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2 5 2รสอกพระอนาคามีละสักยติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันละสักยติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีละสักยติฐิได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกพระโสดาบันละวิจิกิจฉาและโมหะที่เป็นเหตุให้จับไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีละวิจิกิจฉาและพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันละสักยติฐิ ละโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสูปส่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีและสักยติทิฏได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีและสักยติทิฏได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 พระอนาคามีละวิจิกิจฉาและพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วยังเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามีและสักยธิทิและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อสกพระสกทาคามีและสักยธิทิได้แล้ว ยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันละสักยทิฐิได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกะทาคามีละสักยติถิได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันละวิจิกิจฉา และโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพลได้ใช่ไหมปรเมื่อควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีลาวิจิกิจฉาและกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วยังเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันและจักรยทิฐิ และโมหะที่เป็นเหตุที่จัดไปสู่อมาได้แล้วยังเสื่อมจากโสดาปฏิพลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสห้าส่สกพระโสดาบันและสั ก, กยติฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลดใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ละราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระโสดาบันและสักยทิถิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์และโทสะและอนุตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันและวิจิกิจฉาและโมหะที่เป็นเหตุให้จัดไปสู่อบายได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหม ปรใช่สกพระอรหันต์ลราคะและ อ, อนุตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองห้าสิบหกพระสกทาคามีและสกยติฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ลราคะ และอนโตตปะได้แล ok ้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีละวิจิกิจฉาและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหัน์ละราคะและอนโตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 256. หสกสพระอนาคามีละสะกักกายติถิได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรอใช่สกพระอรหันต์ละราคะและอนุตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหัตผลใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอนาคามีละวิจิกิจจา และพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคาไม่ผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันและราคะและอนโตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอารหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอง้อยห้าสิบเจ็ดสกพระโสดาบันและสะกักยติฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่ สกพระอนาคามีลักษรกายติฐิและพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบรรันลัทิจิกิจฉาและโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีลักษรกายติฐิ ละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองหสกพระสกทาคามีละสักยติฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกพระอนาคามีละสักยทิฐิละพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสกทาคามีละวิจิขิชาละพิยาบาทยังหยาบได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปอร์ใช่สกพระอนาคามีละสักยติทิละพิยาบาทยังละเอียดได้แล้วไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปอร์ไม่ควรวกล่าวอย่างน <ielle> ั้นสองอห้าสิบเก้าสก พระโสดาบันและสักยติฐิได้แล้วไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปอรอใช่สกพระสกะทาคามีและสักยทิฐิและพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันละวิจิกิจฉาและโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้ว ไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลใช่ไหมปอรอใช่สกพระสกะทาคามีและสกยทิฐิละพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอหกสิบสกพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สก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 ท่านก็มีควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ there, สกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกโทสะพระอรหันตละได้แล้วโมหะพระอรหันตละได้แล้วมานะพระอรหันตละได้แล้วทิฏฐิพระอรหันตละได้แล้ววิจิกิจฉาพระอรหันตละได้แล้วถีนะพระอรหันตละได้แล้ว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 เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้สกพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์เจริญมักเพื่อละราคะมิใช่หรือปรใช่สก หาพระอรหันต์เจริญมาเพื่อละราคะท่านก็มิควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมบรใช่สกพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทธิบาทเจริญอินรียเจริญภละเจริญโพ่อชงเพื่อละราคามิใช่หรือปรใช่ สกหากพระอรหันต์เจริญโพชงเพื่อละราคะท่านก็มีควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอราธผลได้สกพระอรหันต์เสื่อมจากอราธผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละโทสะเพื่อละอนุตตะปะไม่ใช่หรือปอรอใช่สก หาพระอรหันต์เจริญโพชงเพื่อละอนุตตปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สอง้อหกสิบเอ็ดสกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมรรใช่สกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำขีตที่ควรทำเสร็จแล้วลภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้ว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 กำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้และทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือปอรรใช่สอกอห้าพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้2 6งร้อกสกอ พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ผู้เป็นอสมะยะวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมะยะวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอาราธผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอาราธผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์และราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอาราธผลได้ใช่ไหม ปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัมยวิมุตติและราคาได้แล้วยังเสื่อมจากอราัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตติและโทสะและอนุตตะปะได้แล้วยังเสื่อมจากอราัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัมยวิมุตติ ละโทสะและอนุตตะปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันตผู้เป็นสมยวิมุตเจริญมักเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันตผู้เป็นอสมัยวิมุติเจริญมักเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทิบาทเจริญอินทรีย์เจริญภละเจริญโพชงเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัยยวิมุตต์เจริญสติปัฏฐานเจริญโพชงเพื่อละราคะ ยังเสื่อมจากอารหาัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตติเจริญมักเจริญโพชฌงเพื่อละโทสะเพื่อละอ น, ะนตุตตปะยังเสื่อมจากอารหัตผลได้ไใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัยวิมุตติเจริญมักเจริญโพชฌงเพื่อละอนุตตปะยังเสื่อมจากอารหาัตผลได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ่งกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มสลักกรลบู่ทถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะ ปรดทงคือมานะวางภาระคือขันหมวดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกาหนดรู้ทุกละสมุไทยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมากแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้ทำที่ควรกาหนดรู้ละทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วยังเสื่อมจากอรตผลได้ใช่ไหมปรอใช่ สกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัยวิมุติเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น2 6งร้สกสิกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมัยวิมุตและราคะได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรใช่สก พระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์และราคาได้แล้วไม่เสื่อมจากอาราฐผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์และโทสะและอนุตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอาราฐผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์และอนุตตปะได้แล้วไม่เสื่อมจากอาราฐผลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคาได้แล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปอรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตตเจริญมักเจริญโพชงเพื่อละราคาแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พ ร, decline, ระอรหันต์ผู้เป็นอสมยะยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละโทสะเจริญอนุตตปะแล้วไม่เสื่อมจากอารัตผลใช่ไหมปอรใช่ยสกพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เจริญมักเจริญโพชงเพื่อละอนุตตปะแล้วไม่เสื่อมจากอาราตผลใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระอรหันต์ผู้เป็นอสมะยะวิมุต เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้เป็นจมยวิม AH ุติเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองรสิบสี่สก พระอรหันต์เสื่อมจากอาราตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระสารีบุตรเทระเสื่อมจากอาราตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระมหาโมคลานเถระพระมหากัสสะเถระพระมหากัจจายนเถระพระมหากฏิกะเถระพระมหาปันทกะเถระเสื่อมจากอาราตผลได้ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระสารีบุตรเถระไม่เสื่อมจากอาราถผลใช่ไหมปรใช่สกหากพระสารีบุตรเทระไม่เสื่อมจากอา ร, รอาถผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอาราถผลได้สอกอพระมหมาโมคลานะเทระพระมหากัสปะเทระพระมหากัจจยนะเทระ พระมหากกิกะเทระพระมหาปันธกะเทระไม่เสื่อมจากอาราถผลใช่ไหมปรใช่สกหาพระมหาโมคคลานะเทระละถึงพระมหาปันระกะเทระไม่เสื่อมจากอาราถผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอาราถผลได้อริยะปุคละสังสันทนะปริหานิจบ